กระโนทั้งหลายผู้ใครทำจักมาปฏิบัติในวันธรรมสวุวะรเช่นในวันนี้ในวันพระท่านพุทธสาวนิกาท่านพุทธรบริษัทภูบาโสปฏิกาท่านฝ่ายบารคชิตและกิหัส์มาสร้างกำไรชีวิต <c oughs> มาบาเพ็ญกุศลในวันพระแสวงหาความดี ให้จิตใจทั้งช่านให้เบิกบานหังสาสแสวงหาพระในวันธรรมสวนะเป็น โ, โอกาสมาฟังธรรมเจริญพระกรร ม, มาฐานบอบบังแผงทานทุ่หลัภาวนาเป็นต้นเป็นนิยมการของท่านเองโดยเฉพาะท่านสาทุชนทั้งหลายเราจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากมาก ท <c oughs> ี่อะไรเ อ, อ่ยมันไวเหลือเกินตามไม่ทันก็คือเวลานี้ตามไม่ทันแล้วไวมากถ้ทาท่านคิดพบทวนท่านจะรู้ได้เลยว่าเวลาไวมากหนุ่งสาวไวมาก <c oughs> เจริญไวชนะสาวก็ไวมากมักนี้เขา้าปักผมมาไว บัดนี้เข้ามดชิมมาไวบัดนี้ไปปัดชิมมาไเนี้วเข้าทะเละแก่ชลาไวมากไวตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความเสื่อมจิตเราเรียกว่าเจริญไวชนะสาไวตัวนี้เป็นภาษาบาลี แปลเป็นภาษาไทยพระพุทธเจ้าสอนให้เราชัดฟังได้ไงคือแปลว่าความเสื่อมนั่นเองแต่เราก็เสื่อมมาแล้วตแต่ปฐมวัยคลอดออกจากครรภ์ผูงมาดาร้องเอาแว่เอาแวแป่บอกกำมือแหี่นี่ของกูนี่ของกูทุกกูของกูตลอดไทยการ ก็เข้าไปสู่ยี่สิบห้าเดนยาเพศ แ, แล้วเลยยี่สิบห้าพื้นยางเขายี่สิบหกไว้อีกอ่ะไว้เสื่อมเข้าสู่มัชชิมมาไว้แต่ยี่สิบหกปีถึงห้าสิบปีเลขค่าขึ้นแล้วมัชชิมมาไว้ ไว้ตัวนี้แปลว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายและชันคาญไม่มีอะไรแน่นอนเลยท่านสาธุชนท้้งหลายเอ๋ยยละเลยเรื่องบาเพ็ญจิตยละเลยเรื่องสติปัญญาเลยห้าสิบไปแล้วก็จะเข้าโซ่ตัดชิ ม, มืวัย ไปกระทั่งวังตายถึงจะไม่มีวันกลับมาเย็ yeah. หากลับไม่จะกลับมาทางเดิมเนนะี่ยต้องกลับซ้ายเวียนขวากลับซ้ายเวียนซ้ายกลับขวาเราจะเห็นเลยว่าเดินเข้าโบสถ์เลียนไปทางนี้แล้วเราจะกลับบ้านก็ต้องเวียนที่เมนเวียนกลับ ไปสู่บ้านของท่านตามเดิมออกประตูเกิดและต้องไปออกประตูตายเขื่อนโสมไปตามสาภาพของขังข้นขาและร่างกายแล้วสังชาทุกชนข้างหลายเอ๋โปรดพิจารณาข้อนี้ให้มากสุดเท่าที่จะทำได้มากนี่หละหนุ่มและสาว <c oughs> มาสักครู่นี่เองนั้นอยู่ตอนเชา้า A5 ยมนุ่งขาวอุบาสกุลิกาก็มาใส่บาตรกันทั้งแถวใส่แล้วไปไหนเวลาไวมากตามไม่ทันคือหนุ่มสาวเดี๋ยวเข้าวาละโอกาสเดี๋ยวซือเด็กมองแยกฉันเพลงกันยกพระสงฆ์องค์จ้ะตอนฉันเพลงกันยชามยังไม่ฉันแห้งเลยฉันเพลงกั มันไวถึงขนาดไวคือเชื่อยไม่ใช่วัยเจรินโปรดจำไวข้ข้อนี้เป็นหลักบาลีตามคำสอนหรือุตส่าชัดเจนมากไม่ใช่เรื่องเล่น <c oughs> <c oughs> เพลงมาสักครู่นี้เองบัดนี้ไวนะหน้าที่จะเลียวรัดชายมาักจะอาจาสลดก ถ้าคิดจะก็ต้องตกไปเนี่ยที่นองหญิงชายหนุ่มสาวที่รักทั้งหลายอาจจะตามหนุ่มสาวไม่ทตามอีกแล้วแต่จะถอยกลับเสื่อมไปตามสภาพจะปฐมมาไวแข็ ง, งขันออาไปสู่มัดชิมมาไวกลางคนแต่ก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆแต่ทั่งที่เขาปัดชิมมาไวแรงเลยหกตัวขึ้นแล้ว เลรเจตัวข hey, yeah. ึ้นแล้วแย่แน่เคลิมไวตายได้ทําทีก็ไหมายความว่าจะต้องเสื่อมแล้วก็ตายไม่แน่นอนแล้วแต่กรรมาตัดลอนบ่อนทำลายอาจจะตายซะมาเป็นเด็กในปฐมมาวัยอาจจะมาตายซะมาชิมมาวัยก็ได้อาจจะไปตายซะปัดฉิมมาวัยก็ได้ แต่ตายหมดเวลาหมดทั้งใช้หมดทั้งน้ามันคือตะเกียงใช้ก็หมดน้ำมันก็หมดหมดทั้งเว้นหมดกันตามกิจกรรมก็หมดายเหลือแต่ดวงตะเกียงไม่มีใช้ไม่มีน้ํามันแล้วก็หมดแต่ตามสภาพของเขาด้วยอาุขุขัยเ่นนี้แต่พี่น้องที่เป็นปฐมวัยกาลัง เข้าไปสู่หนุ่มละสามยี่สิบห้ายี่สุบโปรดระวังระวัยโปรดอยได้ประมาทอย่าค่าอย่าละโอกาสอานดีคุ้มขัดเรียกกางความดีเสบัดนี้ได่นะเรียกข้าววัดสามวัดให้ถึงได้วัดอารมณ์วัดถูกทำวัดอารมณ์วัดสร้างชติกรรมฐ า, าน นำลงมั่นสมาธิจเจริญจิตภาวนาอ่าจะได้มากได้ผลจะได้อา น, นิสงส์สมความมุมาตาถนาแน่นอนอันยับประา ม, มาทนะคิดว่าเราจะไม่ตายอาจจะตายคืนนี้ก็ได้กรรมมาตัดลอมก็ได้เราก็ไม่สามารถทราบไปว่าเวา้กรรมตามสมองปรับโลกยอมเป็นไปตามกรรมอย่างเดียวเนอน ไม่มีอะไรมาตัดเราตัดรอนด้วยกรรมด้วยา ก, การกระทำทั้งอดีตชาติวิบากรับสองกรรมที่ทำไว้มีความชั่วในปัจจุบันสามารถจะบังรอนในอนาคตเราจะโลรกไปโดยไม่ชรบโดยไม่เข้าใจโดยไม่รู้ตัวก็มากหลานี่แหลท่านสาธุชนทั้งหลาย <c oughs> หอดโดยพิจารณาข้อนี้ให้มากวันนี้เป็นกรณีพิเศษของวันชาติคนทายชญชาติจีนจะที่โอกาสขึ้นปีใหม่บูชาบ้านพบุรุษในวันนี้มากทั่วโลกที่ชาติจีนอยู่ที่ไหนจะอยู่เอเชียยุโปรปสหรัฐอเมริกาก็ต้องวาด เป็นประเพณีนิยมไหว้บรรพบุรุษโภยาตายายไหว้กราบทุกภูกาบที่มีเวลานใน ว, วันถึงหากว่าเราท่านทั้งหลายเป็นคนไทยเช้อชาติก็ต้องไหว้ถึงหากว่าท่านทั้งหลายไม่ใช่เชื้ชาติจีนแต่เป็นคนไทยแท้พ่อไทยแม่ไทยทลยูกกับไทนก็ต้องไหว้ ไม่มีใครฆ่ากระตันยูก็ตเวจิกาธรรมไม่ผิดแผกแต่กั น, นดกได ก, ไกับกระกันใดองค์สมเดชสมาทุกยากยืนยานแล้รับหลอกกามกระตันยูกัตเวจิกาธรรมผู้ใดมีอยู่กับผู้ใดไม่ลืมพระคุณกระตันยูบุคตาลีคนนั้นจะมีจะทางเดินจเจริญก้าวหน้าไม่เสื่อมมีหวังต้องรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีชีสุข เมื่อกระตันยูก็ตะเวจิตาธรรมมีความหวังแท้ใจเช่นนั้นคงไม่ผิดหวังแน่นอนแต่บางคนไม่มีกระตันยูไม่มีบุคตาลีไม่รู้ซึ่งก็ไล่ความหมายของมนุษยชาติไม่มีศักยาภาพเลยบุคคลวิสัยชาติมันชีวิตท่านจะจะไม่มีแก่งสารที่วันนี้ควรจะเลืกทิ้งวันกระตันยูตะเวจิตาธรรมแล้ว ถึงบุปผาลีเส้นปูกระกยาตากระยาที่ได้สรางทุบัตรพระสถานให้เรามาไม่จําเป็นต้องเป็นคุณจีนคนไทยก็เลยลืกทุกวันพระมันโกวันโกวนเตรียงการวันพระกรรมฐ า, านเราเลืกทิ้งบุปผาลีกระตาโยกตะเวที่ที่ที่จ่ทาทไม่ใช่จําเป็นก็ต้องเป็นจีน ทุกวันพระทำได้ทุกเวลาเราเพื่อจะสอนว่าถุนัาคตังสุมังพลังทุปะภ า, า, า, ากังปุสุนม่จำต้องกล่าวว่าสะพาอสุขีนิวันขึ้นปีใหม่หรือไม่จำเ พ, ำพราะจำเพาะสาบหรือสุดแต่ประการใดวันโกนวันะสำคัญมากวันดีเราก็ไม่ละวันพะเรา ก็อย่าเว้นความดีไปที่นาซื้อนายเยอะเกินทั้งสาทุกชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงแสดงอิกย้ำเติมเสริมให้เราเข้าใจอิจวันดีของเรานะมีทุกวันทุกเวลาอย่าพาอย่าละประมาอย่าประมาละโอกาสอันดีงามอย่าประมาททุกเวลาเราก็ทำความดีนด้ ตาการดูตวเวทีทุกหน้าที่และการงานทุกเวลาได้ไม่จาเป็นต้องวันกุฏีเสมอไปแต่วันกุฏีนี่เป็นประเพณีขึ้นไปใหม่ของชนชาติทีนคนชทยชนชาติจะเคลื่อนปีใหม่หรือไม่ใหม่ก็ตามเราก็ไปคุ้มเก่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปดีกว่านี้แต่ท่านนี้ซึ่งบุปกาลีที่อุปกาละเรามาแต่ ก, ก่อน มีคุณค่าของความดีอันนี้แล้วท่านจะเป็นคนดียิ่งในสังคมแห้งขันท่านจะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถานพรแน่นอนทุกประการจะมีประโยชน์แก่ท่านเองโดยเฉพาะพระพู้ใ จ, จเจ้าให้ยังไมทถ้งลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกเข้าใจรู้แน่นอนอ๋อเราหายใจเข้าหายใจออกเข้าใจแล้ว เลือดเนื้อเชื้อไขได้มาจากปู่กับย่าตาขยายได้มาจากพ่อแม่ท่างสองประเทศนั้นนึกคุณค่าของชีวิตซึ่งมาว่าชีวิตเรามีค่าเวลามีประโยชน์นั้นแต่นึกถึงบุพก า, ารีได้การทั้งหลายทั้งหนุ่มและสาวท่านมานั่งเจริญกรรมาฐานท่านจะนึกอย่างนึกถึงมาหาเมตตาใหญ่นึกถึงบุพก า, ารีท่านจะร้องไห้น้ําตาท่านจะร่วง ว่าคิถึงแม่คิดถึงพ่อคิถึงแน่แน่ถึงปู่ย่าตายายชาติปิภูมิอาติภูมิของก่อนผมมีุปกราคุณมาแต่การก่อนจะคิดถึงสถานที่ให้แล่งเกิดสภาพความดีจะคิดถึงที่ประกอบอาชีพการงานเช่นบริษัทไม่ควรทําลายจะคิดถึงคุณงามความดีของอาชีพการงานสาขาที่เราขายข้าวขายของธุรกิจ ควรจะเทกถึงเขาหรย อ, อุปการละเรามาให้อยู่อาชีพการงานได้หยุดได้หยีเช่นนี้จะมีระโยชน์ไม่ใช่เนอะมันน้าย้อยบอกตามที่ประโยชนทีละยาอียดก็เต็มกระบอกด้าชั้นใดก็ชั้นนี้นี่แหละท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าท่านสนใจในเรื่องตัวท่านาจะไม่ึ้องบุปการีไ ด, ดจ้จนดับแลว นี่แหละวันไหวบ้านพับลูต้องเคิดนะนี่ท่านทั้งหลายวันชะวันดีไม่ละวันชระไม่เว้นคือชาติความชั่วยอย่างนั้นนี่แต่เราโปรดสร้างความดีวันดีก็สร้างวันพะก็ต้องสร้างวันดีไม่ตจองละวันพะอย่าเว้นความดีรีบมาวัดสดับพระธรรมมาเทศนาได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครมาในวันชะสะดับพระธรรมเทศนา ไม่มีใครให้ทานในวันชะกรบทั้งปู่ย่าตายายคอยรับส่วนบุญเตะวิสัยมันอยู่ข้างๆกันเยอะหมดแต่ไม่มีใครมาให้ทานในเตตะวิสัยกาลังมาคอยรับส่วนบุญอยู่สวรรค์เอ๋ยเทวดาทุกช่านฟ้ากําลังเปิดม่านฟ้าดูกระชาชนชาวโลกว่าวันนี้ใครจะทําบุญอะไรบ้างโลกสวรรค์โลกนรกติด หยุดกลางงานหน้าทุให้ช่้างความดีเมืองนรกเนี่ยต้องหยุดงานมีหลักฐานที่ไหนหยืนยันมีหลักฐานที่ยายช้ยุ่ง้าปุ่นที่เอาปุตติกมาฐานมาสร้างแปสิบบาทโดยยมและสุขเสพงทางยกทิวั น, นเป็นผู้ชา้างหลักฐานแปสิบบาทนี่เป็นพยาน ว่าอยู่มือมนุษยมาเนี่ยวันวันโกณยาคาเขาให้หยุดไม่ต้องทำโทษวันดีมีปัญญาวันสวรานก็ให้หยุดแต่เราเมืองมนุษย์มาหยุดวันวันเสาร์วันอาทิตย์มีหลักฐานที่ยืนยันได้ชี่วัดหญิงสองร่างงางสองชาติมีหลักฐานที่ยืนยันได้แน่ชัดมากสมัยสองพันห้าร้อยกาลั้งนั้นแต่มามาอยู่นี่สองพนสี่ร้อยเก้าสเก้า เห็นกุฏิหลังแรกของวัดนี้เรียกว่ากตฏิกรรมฐานเป็นต้นก็จะไม่ข อ, อกล่าวให้ยืดยาวในโอกาสนี้จะกล่าวต่ว่าบุพการีเอ่ยช่างความดีในกรรมฐานอาจจะเห็นถึงบุพการีด้วยความซึ้งใจน้ํำตาท่านจะร่วงที่ถึงแม่ที่ถึงพ่อที่แม่ปูย่ย่าตายายอย่างนี้เันต้น น, น้ำปภาษาหลายท่นเด็กตัวนี้เก็บแม่เป็นโลกมะเร็งแท้ มีศรัทธามั่นไม่มีใครบอกไม่มีใครเชิญชวนจะประการได้มอหนึ่งโรงเรียนสมหวนหญิงสุพรรณบุรีเป็นสดโรงเรียนใช้อารกุาศัาายของอาจารย์เชื้อก็ยอยู่สุพรรณบุรีเช่นดีกัน นั่งปฏิบัติธรรมที่นี่มอหนึ่งท่านยังเด็กเล็กมากมีความคิดสูงพอนั่งเลยสามวันวันที่สี่จะกลับน้ำตาตกร่วงเรียนให้เราพ่อทราบขออยู่ต่อสักง7็วันไดึไแม่หนูเป็นมะเร็งวายรัติทายต้องตายแน่นอนหนูยังไม่ได้แทนคุณแม่คุณพ่อเลย แม่กอมาตายหนูจะอยู่กับใครแล้วเราเนี่ยตื่นตามจริงๆหนูจะอยู่กับป้าก็ไม่เหมือนแม่นี่อยะท่านฟังและคิดหม่เด็กยังมีความคิดเดี๋ยวนี้คนโตไม่ค่อยคิดเด็กคนนี้พูดลึกซึ้งหล้วพ่อขาจะอยู่กับใครก็ตามนะคะสู้อยู่กับแม่กับพ่อของเราไม่ได้เลย ที่คนันวิสเป็นคำคิดของเด็กในวัยรุ่นมัธยมไปทิ่งชัดเจนที่วัดอัมพวันเมื่อหลาะครั้งนะ้าหกปีมาแล้วหลวงพ่อคาเขาอยู่ต่อถุกเจ็ดวันนะคะหนูคิดเองนะคะนี่แหละขอเจริญคำเจริญพรธรรมฐานาให้เกิดปัญญาได้เด็กมหนึ่งเกิดปัญญาใช่ได้แล้วเด็กโต ไม่เคยเกิดกันยานั่งกรรมาฐานโมไปคุยกันขเขาแสสวนวนหาท่านจะไม่ยัยพ้นจะไม่ลึกซึ้งจะประการใดสงการครหพร้อมกังวลอย่าไปห่หวงใยใครได้ไหมอยากคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันสงคิดจะเรื่องเดียว เอาหลายเรื่องในเวลาเดียวกันท่านจะสับสนอุลหมานจิตใจท่านจะไม่เป็นสมาธิแน่นอนชุดขอ่ากท่านไว้เด็กคนนี้พูดแล้วเราก็ตื่นตานุ้กนคิดถึงแม่เหมือนกันตมาคิถึงแม่มากแต่ตอนคอหักหายใจทางสดีได้คนอื่นไม่ได้รู้ไม่เคยคิดเด็กม .1 แช่ยาโยมตั้งใจคิดได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไร เราจะอยู่กับพ่อแม่ดูได้ อ, อยู่กับผัวก็เหมือนเด็กนี่มันหนูคิดคุณหลวงพ่อคะหนูคิดง่ายมามานั่งกรรมถ า, านที่ฉลาดโรงเรียนสมเด็หญิงถุนบุรีอาจารย์บรลเลงพู้ถ้วยผัวออเป็นผู้ผ่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามหลวงพ่อคะอยู่ก็ป้านะเหมือนพ่อแม่เราไม่ได้เลยหนูเนี่ยยังไม่แทนคุณท่านใดเลย แม่หนูต้องตายแน่นอนวารัสุดท้ายแล้วหนูคิดเองหนูเคยไปอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับป้าป้าไม่มีป้าอยู่กับใจบ้านติดกัดก็ไม่อุ่นเลยอะไรหนะรอะหลวงพ่อคะจะอพูนเท่าอยู่กับแม่กับเพาะไม่มีแล้วแน่นอนที่สุด แล้วก็พ่อแม่กับลักเราอย่างบริสุทธิ์ที่น้องที่รักสาทิชนทั้งหลายสามีภรรยารักกันไม่บริสุทธิ์ดีก็จะรักไม่ดีก็จะเลียดเบียดฉันดีก็จะช่วยไม่ดีก็จะถีบออกไปเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ความรักของพ่อแม่เนี่ยยุติธรรมบริสุทธิ์มากไม่หวังผลตอบแทนกับลูกแน่นอนที่สุด ลูกจะให้แทนหรือไม่แทนจะตอบหรือไม่ตอบพ่อแม่ไม่เคยว่าอะไรถ้าท่านมีลูกเป็นจะรู้ดั่งถ้าท่างใ น, นี้บุตรทดาท่านจะไม่รู้เลยหนุ่มถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่จะไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนอะไรหน่อจะอบอุ่นถ้าตักแน่ละอะไรหน่อจะอบอุ่นถ้าวงแขนของพ่อเราไม่มีแล้วอะไรวงแขนของสามีกับภรรยามันจะอุ่นเท่าวงแขนของแม่ไหม ท่านนายนา ง, นงกรรมฐ า, านท่านคิดไหมได่ทาทำในชีวิดเคยรู้ว่าแม่นินทาพ่อแม่เรามาน้างกรรมฐ า, านให้มันได้ผลได้ไหมร่ำร้อนถ้าจะร้องไห้คิดถึงแม่เราไม่น่าว่าจะคิดกับแม่เลยนี้ไม่น่าจะคิดกับพ่ออย่างนี้เลยแล้วก็ออกมาเป็นบทกลอ น, ำนอทำลงธํา แต่เมื่อถึงบุพการีได้ชัดเจนคือกตารยูกตัตเวทิตาธรรมต้องได้เป็นข้อแรกของกรรมฐมาน ถ, าถึงจะเป็นการถูกต้องถ้าไม่เกิดนี้ท่านได้กรรมฐานไา ม, ม่ได้ผลมันมนั่งจะไปสวรรค์นิพพานเป็นบวชชีพรามตามวัดกันอย่างั้นเลยอมีแต่วิทยากรเพทยกันไม่พักติดกันเพทย์ไม่พักไอ้สมาไม่นิยมอย่างถวายท้องนีก็ไม่นิยมอย่าหาว่าสมาว่ายโยนยน นิยมที่ยอมช่างธรรมะช่างพระว้ในใให้มากที่สุดแต่ปัจจัยที่จะทำบุญอาจจาเป็นประเภทสองทางที่ภาวนาอันนั้นอาจจะเป็นประเภทสองได้นี่แหะบุพผ า, าลีเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนหลักตารอยูทตรเวทีในโลกมหยากคนที่จะลือกทิงบุญคุณเนี่ยไม่ค่อยจะมีชั้นสอนไม่ชัดคือบุปผ า, าลี หมื่นพันคนจะมีสักคนนึอที่ลึกซึ้งเข้าไปถึงเหตุการณ์เช่นี้รู้แต่ว่าชายเป็นพ่อหญิงเป็นแม่ท่น้นแต่ไม่รู้เลยน้าใจของพ่อน้ำใจของแม่เป็นประการใดในบุพการีคนจีนเขาจึงขลังมากวา่า้บรรพบุรุษเช่นในวันปุดจีนเช่นในวันนี้นะั้นเขาจงน้อมไหว้เอาเครื่องไก่โนมเข็งโนมเทียนตามประเพณีจีนมาไหว้กันมากมาย ถึงหากว่าจะผิดธรรมะบางอย่างเช่นพ่อแม่ชอบชุรายาเมาก็เอายาเมาเหล้าม า, มาบูชาพระคุณเป็นการกระทอดูเหมือนกันแต่ก็ไม่ผิดอะไรมากหลยแต่แล้วอย่าไปกินเหล้าให้มันเมาก็แล้วกันเอาเป็นประเพณีเป็นการวัตถุสมมุติบัญหยาด เพื่อไม่ทำร้ายน้ำใจพ่อพ่อเดิมเดิมชอบเดิมลักแม่ชอบเด่มลักก็ไม่บูชาพระคุณเท่านั้นแต่เราจะไปดื่มเล่าใช่เองก็เห็นจะไม่เป็นบาปเป็นการบูชาพระคุณอย่างลึงซึกไม่ทำรายน้ำใจคุ้งพ่อแม่ถึงพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ฉันชอบอย่าไปขายคอเะเราหางานโยบายอื่นให้ฉันทำบุญให้ฉันเลิกเหล้าให้จงได้ อย่าไปว่าพ่อให้เสียน้ําใจอย่าไปว่าแม่เสียน้ําใจเช่นนั้นตามคาสอนพระพุทธเจ้าบัว อ, อย่าชามน้ำอย่าคุณขอให้ชีวิตเราอุ่นใจตลอดการประวัติาสตร์มีเวลาการที่มีประโยชน์ในชีวี้ท่านมิใช่น้อยประการหนึ่งเป็นที่พึ่งของเราแน่นอนวันนี้จะชี้แจงที่เรื่องกรรมาฐานกัตตันยูเกาตเวทิตาธรรมเหมือนเด็ดทัศนีนะั้น มหนึ่งเห็นชัดคิดถึงแม่เนี่ยถ้าเธอไม่มาจากสงวนญิมมานั่งกรรมฐานแล้วเธอจะไม่นึกเท็ดไม่ออกบอกไม่ได้เพราะยังเด็กเล็กนะยังไม่รู้ว่าคุณค่าแม่ชีิตนั้นเป็นประการไดพอมาเจริญกรรมฐานเข้าซึ่งใจร้องไห้มาหาหลวงพ่อทิพกุติบอกว่าหลวงพ่อช่วยหนู พูดมีเหตุผลพูดเราตื้นตาล น, น้ำน้ำตาเราแทบไหลตื้นตาลกระเด็กเขาที่รักแม่ของเขาอย่างยอดชีวิตจิตใจไม่มีกู้อื่นใดเล่าที่จะเป็นเด็กขนาดนี้ที่จะรักแม่ที่จะเอาชีวิตแลกแม่ไว้ได้หลวงพ่อคะหนูนั่งให้มันตายไปเลยเพื่อให้แม่นุ้อดลอดทำให้แม่นุ้ออดได้ หนูยอมตายก็ได้แม้นี่หายากมากถึงไดบชีวิตแรกเอาแม่ไว้ดดะไม่มีที่ไหนแล้วช่างบุปตารอช่างหลายเ อ, อ๋ยการกระตันยูตะเวทิตารทำเช่นดักกล่าวแล้วตามายังพูดดยเื่้ยเด็กคนนี้แม่ก็เป็นครูโรงเรียนด้วยบางคนมาไม่มีซึ่งใจอะไรเลย ลองพ่อข้างแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลห้องอายชูยูนั่นอยู่โรงพยาบาลศรีราษฎข่าวคขารือกันนะว่ามานั่งแล้วแม่จะหายเหรอฉันจะลองดูสักวันได้ไหมบอกว่าขอเจริญพรกลับไปเถอะลองไม่ได้วันนี้ลองไม่เป็นชาติชาไหมหนูไม่เคยไม่เข้าใจกลับดีกว่าแม่เธอตายหมื่นปอร์เซ็นตายแล้วตายแล้ว มีอย่างนี้เยอะทีวัดนี้มีเยอะเลยไม่ใช่แลกขนมเคงก็การก็รแยกของในตลาดอย่างนี้นล้วต้องสร้างความดีด้วยตนเองเช่นดังกล่าสู้เด็กไม่ได้บางคนมาพูดสู้ใจจับสู้ใจจั ก, จกบอกไม่เคยเชื่อสองพ่อคะสวดมนต์จิตจบแม่ถึงจะฟื้นพอถึงจะหาย โลกบอกไม่ได้ไม่ทราบนะแล้วแต่ศรัทธาจะกี่จบแล้วไม่ทราบแต่ให้สวดเกินกว่าอายุเนี่ยต้องการจะได้กำไรชีวิตให้คนที่สวดท่านเป็นกำไรชีวิตเอากำไรไปให้แจกคนอื่นโยมอยามาคิดดูค้าขายขาดทุนเจ้าทุนไหนไปให้คนอื่นเจากาไรไหนไปให้ใครจะขาดทุนยังย้อยยับใช่หรือไม่ นี่ละการศรัทธาสำคัญทั้งคาราวาสทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งนี้ยายขาดทุนได้ไหมนี่แปลความหมายยายขาดทุนแต่ละวันเวลาให้ได้กาไรทุกวันทุกนาทีทองได้ไหมนี่จะขาดทุนทุกวันเสียใจยด้วยนะขาดทุนเวลาขาดทุนชีวิตสีวาแล้ก ว, วก็ไว้ก็เสื่อยไปตามสภาพได้กําไรได้อย่างไรหมดเวลาของนั้น ถ้ายาลาที่เป็นคุณค่าของชีวิตแต่ประกันได้ขอเจริญพรญาติโยมโปรดได้รับชาาิคนนี้ไว้วันนี้วันกัตันดูนะสอบบาลผลก็ต้องพูดให้เขาจ่ายเวลท่านจะเป็นไทยชนชาติจีนหรือจีนชนชาติไทยก็ไม่หวาดแต่จะมาคิดว่าจะปลูกืีนสาสตีนใี้ปลูบไทยไม่สําพัญสํำขัญ ท, ทําทุกวันได้ไหมกัตันยูทุกวันได้ไ เจริญบุพการีแล้วไม่ถึงคุณของพุ่ธมีพระคุณทุกวันทุกนาทีทุกลมหายใจได้ไหมแล้วไม่ถึงคุณพระพุทธเจ้าทุกนาทีชงได้ไหมที่มีพระคุณอรุณเหในถึงกระทําที่เราปฏิบัติทำเนี่ยตลอดทั้งวิทยาทีเดียวก็ต้องคิดได้ไหมไม่จำเป็นต้มาคิดในวันพระนี้เนีะง่ายหรือไม่ประกันได้คิดถึงคุณค่าของพระสงฆ์นัตนะแกวสามประการทุกวินาที า ห, หาหงมาตาทุกวิญญาณมันจ ะ, จะเจริญสีจเจริญสีสจเจริญหน้าที่การงานเงินไหลนองทองไหลมาท่านได้กำไรชีวิตชีวิตท่านได้กำไรเงินจะไหลนองทองไหลมาเพราะอารมณ์ท่านดีมีปัญญาบา้จากการเจริญก็ระมาถามถูกต้องตามคําลองของชีวิตแล้วอันแน่ น, นอนที่สุดไม่มีอะไรจํามั่ น, นคงเท่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะตรงนี้นะ่าคิด พิจารณาตัวเองเถิดไม่มีใครเขาทาให้ท่านด้เลาะอัตมาก็ช่วยโยมไม่ได้เนพะียงแต่แนะแนวตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถิ่แต่คําสอนของพระพุทธเจ้านะเราไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดแต่ชี้บอกมาขมันค้าว่า น, นีไปสวรรค์ห น, นีไปนรกบอกได้ทั้งนีไปเป็นเปรตหนีอสุรกายหนีเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไปสู่ใบายามุขหาความสนุกในสังคมนี่ไปสู่ทางเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปทางนี้ก้าวเสื่อมไปทางนั้นบอกคุณทางได้ตรงนี้แผนที่มรรคบัรคาก็เราจะเดินไปทางไหนแล้วแต่ชอบเราจะยมชอบยอมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรทางดีก็กลับกลายเป็นทางชั่วทางชั่วกลับกลายเป็นทางดีก็ไม่เป็นไร อย่าเห็นกองจักเป็นดอกบัวอย่าเห็นความชั่วเป็นความดีเลยตงเห็นกองจักเป็นกองจักเห็นดอกบัวเป็นความดีมีปัญญาแสงสว่างนกผานคือปัญญาใหญ่เห็นให้มันกลงที่คงวาคงกรอย่าต่อหน้ามาพลับหลับหลังตะโกต่อหน้าสมโอลับหลังส้นเช็นเชงไม่ลง ควรจะเป็นมาตูนแข็งนอกกับมาก่อแข็งในแข็งช้างนอกแข็ง ใ, ในอดทนในอดทนนอกอการจเจริญสติปัฏฐานสิแต่จ ะ, จะสร้างความดีทุกวิถีขาดจิดขึ้นวิถีสร้างความดีได้ทุกนาทีทองกัรงประคองไว้วิชาความรู้แถมขัดทุนที่เวลาที่ผ่านไปแล้วอย่างน่าเสียดายเนี่ยเสียใจ่ในเกินะโยชน์ติผลแต่บริการได้ ตรงนี้ปเป็นเรื่องจริงตายเช่หแับควรจะคิดกันต่อไปอนี้ประโยชน์ส่วนผลอย่างแน่นอนของท่านเองทางัานจ้งหลายเอ๋ยมีวันนี้วันนึงถึงบ้านพหลท่านคิดถึงตัวท่านไหมบ้านพหลเป็นคนช่างเรามาเนี่ยน่าจะคิดถึงตัวท่านมีหัวใจมาจากพ่อมีเลือดน้ําเหลืองอมาจากแม่มาทั้งปู่ทั้งย่าทั้งตาทั้งยายในตัวคุณ จะเจริญกรมาถานได้อย่างที่กล่าวแล้วถ้าจะคิดถึงตรงนี้มิถึงบุพการีจะขยันมันเพียรเรียนหนังสือจะขยันมันเพียรปฏิบัติหน้าที่โดยสุกจอกจะเลื่ตอต้นชีวิตให้ดีจะช่างความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันจะเกิดอัตโนมัตแก่ตัวท่านเองไม่ใช่มานั่งกระจิ้ยมจินดจาดจา ม, มาแก้บนกันเหลือเน็นที่นี่เั็นศาลเจ้าควรจะเป็นศาลเจ้าไครปอง ไม่รับบนศาลเจ้าไทยฟงไม่รับบนง้อไปหาศาลเจ้าแม่ขุนยิมว่ะเราพอเสือเจ้าแม่ลายบนกระตูกกระดกกระดกในกตองทำมา้กินไม่ต้องมานั่งกรรมฐานบนให้ไปสวันนิพานบนเลยแต่ที่นี่มันจะศาลไทยฟงท่านอย่ามาบนอย่างนั้นอย่าจะบนให้ลูกให้ตัวเองเรียนหะนังสือเก่งบนเลยให้ตัวทุกข์กับศาลไทยฟง บอกเข้าไปเจ้าจะตั้งใจเรียนหนังสือไทยปงก็จะบอกตเกตือนที่สี่ตั้งใจดูหนังสือตลอดไปพึ่งตัวเองให้ด้ไทยปงเขาจะบอกอย่าไปพึ่งคนอื่นนะเพราะสารไทยปงไ ม, ม่กินเครื่องชงเวรในวัดนี้ไม่จะสารที่าอื่นเนยเป็นสารไทยพงไม่จะบนเจ็วันบนสามวันนะบนเจ็วันมาอยู่สามวันกลับไปแล้วอย่าไปอย่ามาโกหกสารไทยปง เข้าใจไหมผู้เนี่ยไม่เข้าใจเอออะไรโก่งๆแปลงๆก็ไม่เปไ็นไะรศาลนี้ไม่กิงเคลื่อนสั้ง เ, งงเวยอย่าเนะสาียขจจารนะาลเสียกจจ่านจะลงนรกไปเลยศาลนี้ไม่รับบงญบุอย่างนี้นะข้าพเจ้านั่งจเจริญกรรมฐ า, านอดทนตลอดเจ็ดวันเจคืนไม่นอนไม่พูุกระขายบกุกกเฏียวห้าชาว อออ ก, กมาฐานขึ้นให้มันเองไปเลยนี่สารไทยปงไม่ใชบนกระเพาะเนี่ยจะเอาไวอาจีวอดีม า, า ม, มาถวายฉันหน้ากรรมฐานก็คงไม่ใช่สารไทยปงที่จะมีสารไทยสารอื่นแทรกอยู่ใ้สารไทยปงแล้วก็ไม่กินเชื่องสิ้นบนก็หล่อเลยการวัดนี้ไม่รับบนนี่โทรมาตั้งใจชาจะมาบวชเป็นชักชักทห้าวันบนไว้ บอกนี่บนนี่วัดสารไทยโปงไม่รับไปสารข้างบานคุณเนี่ยวัดข้างบานคุณบอกต้องบวชเดือนเดือนหนึ่งเขาโทรตอบว่าวัดขาบวชเจ็ดวันยังได้สามวันยังบวชก็ได้หน้าไฟก็ได้นําบวชละก็ไปบวชสิสารนี่มีสารใทยตรงบวชหนึ่งเดือนได้ไหมไม่ได้ไปบวชที่อื่นออกมานั่งกรรมฐานได้เจ็ดวันก่อน กำบวดให้เดชกุมภานิทานกรรมฐานไม่ได้ไปไปสารเจ้าแม่กุนอินสานไทยปงไม่ไรับอ่ะจําได้ดิเนี่ยมาบน่นกันเยอะเลยที่วัดเรานี่นะก็ไม่ชาเปัญญายังทายได้ออกว่าทวัดอภวันที่ทางกรรมฐานเนี่ยเขาเป็นสารอะไรสารไทยปงหรือสารเจ้าแม่คุนอิน น่าจะมาสร้างความดีให้กับตัวเองเหมือนเด็กเอาความดีให้แม่ได้ไหมอย่าบ่นบ่นใกล้บน่บนนี้ไม่ใกล้กันบ่นไม้ดีก็ไปบน่นอำไมเสียโอกาสเวลาท่านที่มีค่าเหลือเกินขอจเจริญพอรอย่างนั้นแตไม่มีโอกาสที่มีค่าที่มตัวนี้เลยใอย่างจะบวชสักเจ็ดวันเข้าวัดห้าวันก็บวชอยู่แค่สองวัน ขาคุณยันก็พยายาเพื่อนชิวันนี้จ้องดูว่าเปอย่างตามตั้งเจ็ดวันนี่โทรมาแล้วโทรมาติดต่อบวชทางทางทางทางโทรศัพ์เนี่ยอุช้าอยู่ไหมอุปช้าอยู่ไหมอุประชากำลังฉันข้าวให้ให้โยุดฉันข้ามารับสายหน่อยสาวลูกมาบวชนี่ตำราประวัติชาต้องบันทึกธนาที่ธนาช่างนี้กำลันจะฉันข้าว บอกให้ท่านมารับสายหน่อยจะเอาลูกมาบวชโอ้โหขนาดนี้แล้วนะประเทศไทยเสียใจเขนาดนี้แล้วหรืเห็นเราเพนอะไรก็ะดะติดต่อโทรศัพท์เมื่อเช้านี้สมาบัญชีหนังสือบอกจะเพนนะเพนมาเป็นลายให้ท่านดุจขั้ก่อนนะมารับสายหน่อยทางใกล้ทั้งไกล โอ้โหนึกว่าอยู่สมัยก็รถทางไกลยอยู่ที่ลาดช้าเดียวงสมองก็ปาถึงนนยยอย่นี้แหมไกลมากเลยยลยคนลาดช้าอเลืมนถามชื่อไปใชแต่ชื่อนี้มาก็สตอ๊อกรับเลยสต๊อกเลยขอประกาศปิ้เลยไง น, นี่ฉันฉันนี่ยรู้ไปรับได้ เราไปาโทรศัพท์ได้ไหมไปเรียกทางมาพลังฉันข้าให้เร็วนี่ทํำไมเป็นเช่นนี้นะประเทศไทยนี่เรื่องจริงเลยเลมไม่เด็ถามชื่อว่าอยู่ดูลาช้าวลาช้าวมันกรุงเทพหรือที่ไหนแล้วก็ไปนคนโงม้อมีวัดบันเนาะไม่คุ้ยรู้เรื่องครับคนกรุงเทพแสวเลยมีมารยาทดีเหลือเกินลาช้านี่ถ้าจะไม่ใช่กรุงเทพจะกรุงเทพคงไม่โคอย่างนี้ ขอประทาโนโทวยกบฝากดวงไปด้วยมีองค์นี้พระบรรนอกขอกนาพระงงงงลงหลับสานข้าวก็ให้แล้วมารับโทรศัพท์ก็ได้ไม่เป็นไรส่งลูกมาบวชทางโทรศัพท์ก็ได้ส่งลูกมาบวชทางการชี้ก็ได้เอฟมาเลยเอาลูกขายอเอฟมาเลยอัตมาเสียใจ น, นี่คนมีระเบียบมากขึ้นมันถึงจะยุ่งเหยิงขาดระบบไม่มีระเบียบ ไม่เทียบดูมีไหนเป็นไก่มากน่าชื่ดายเือะไปนี้แปลกๆทําให้สัมมาได้ประวัติชาตรต้องบันทึกไว้เป็นประวัติเป็นวิญญานิพนธชีวิตเราจะได้คิดกันต่อไปว่าประเทศชาติเป็นทุกขนาดไม่มีความเพ่ง อ, อกเพ่งใจไม่มีมีประตู ม, ะมีกรอบเข้ากันเลยในเข้าตามกรอบออกประตูเลยนะจะมากันณ์บนต า, กาเกินมนุษย์ต่างดาวเรือมันเนี่ย เนี่ยที่โชว์วันนี้แ่สงสัยเป็นมนุษย์ตามดาวมันถึงโชขนาดนี้ให้เราเลิกียนข้าวมีประแจท่ทานอยู่ไหมวันนี้ฉันจะให้รับสังทานหน่อยแล้รับตอนไหนทลาเวลาให้เราหน่อยริทลเวลาให้เราหน่อยแล้จะพูดส่วนส่วนตัวสักสามสิบนาทีที่ไม่มีคนตายจริงจะไปพูดในปาชาที่ไหน ถึงหากามีคนผีมันก็ด้ยินนะนี่วันนี้เลยเนวันนี้เลยสอดสไปล้ อ, อมาล่าออโงางยงฟังเสีดายเวลาของคนหนุ่ม่ไเดียเคยศึกษาชีวิตที่มีประโยชน์เลยไม่รู้จักเปลงการเห็นเราเป็นอะไรเห็นเป็นเน ย, เปนเนยไปแล้วนี่เนยน่ยไม่เห็นพระก็ไม่เป็นไรแต่คนนี้สติดีเขาไม่เป็นอย่างนี้แนี่นี่คนรสติจริงๆไม่สมบูรณ์แบบทุกรูปแบบ เพราะไม่ควรจะมากล่าวก็ต้องกล่าวและแน่นนการเจริญกรรมาฐานจะมีประโยชน์ในชีวิต ท, ท, ท่านเองที่เป็นแก่นสารและไม่ลายสะระอย่างเด็กนั่นเลวก็นั่งปฏิบัติเขาเขาพูดมีหลักฐานอขอโยมฟังแล้วคิดเด็กน่ชอบความรักอบอุ่นจากพ่อแม่ไม่อยากอยู่กับคนอื่นโยมมีบุตรที่ดา่าไม่เล็ ถ้าจะไปให้อยู่คนอื่นต้องคิดให้ลึกๆเอาลูกไปปัดให้คนอื่นเลี้ยงหรือเอาไปขายใช่ไคิดให้ลึกๆหน่อยเดียนะจะเอาลูกขายถ้าเราเป็นลูกมั่งขายไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราได้ชํานุษย์สมาญญาจะเสียใจยไหมแม่เกลียดเราเนี่ยเอาเราไปขายมีตัวอย่างที่วันนี้ลูกหลายคนเอาลูกขายคนนี้หน้าตาไม่ดีขายัไปขายไป เลยลูกที่เลี้ยงไว้ไมาดีดีชั่คนลูกที่ขายไปน่นําำรวยหมดเป็นตริยาโธเอกเขาส่งเรียนแต่ก็ไม่ได้รับความดบุญผมด้วยคิดแล้วก็เสียใจยตลอดเลยการแม่ไม่ไรักข า, ขายเข้าไปชนะเขาก็รู้เขาโซเลียนนี่แหละเป็นประวัติศาสตร์อันสําคัญมันทั้งหลายมีลูกหลานอยากขายนะอยากดีมีโจนเลี้ยงมันหน่อยใช่ไหม แต่เขาได้รับความโอบอุ้มในชุดเนี่ทยมนั่งกรรมฐานยมจะอ่านตัวออกบอกได้ใช่เป็นแน่นอนแต่เราสำเน็คสมัญญาเรารู้ความเป็นลู้รู้ใจความเนี่ยจะเสียใจมากจะคิดว่าแม่ไม่รักพ่อไม่รักเราเอาเราขายไปชิดหนาน่าจะคิดอย่างนี้่ะถ้ทยมนั่งเฉลิมกรรมฐานได้ายมจะรู้เหตุผลได้ดีที่สุดส่วนหน้ายมเป็นโยมผู้ห ส่วนมากเนี่ย <c oughs> นี่เนี่ยมาบนบานสารกล่าวกันที่วัดนี้เป็นจำนว น, วนมากสมารับโทรศัพท์ทิ้งได้รู้หอนี่บนก็อย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นรับก็จะไม่รู้เรารับเองก็รู้จะบนอย่างเนี่ยมีบวชบางทีจะบวชเจ็ดวันบวชย้อไม่ได้แล้วที่เนี่ยสังกูว่าห้าวันก็เป็นช้าอยู่สองวันก็ ม, ม่บวชทำไมนั่งปฏิบัติกรรมฐานดีสุดวันนี้เอาแล้วนั่งแล้ว เหนอังก็โน้นมาวันที่มาอ้าวว่ามาโอเคไป้มันอยากเข้ามาไม่ใหญ่เลยถ้าเชื่อจะมาบวชหนึ่งเดือนเนี่ยอยากเอาเพื่อนมาคุยพ่อแม่ก็อย่ามาุ่งวุ่นวายได้ไหมเดือนหนึ่งท่านจะได้ไปเยอะแยะมากมายแต่ขอให้ทำตามที่ท่านมีศรัทธาถ้าท่านในมีศรัทธาจริงๆท่านกอดสองเดือนใช่ก็มไม่ใหญ่เลยไปหนึ่งบวชทั้นปีก็มไม่ใดญ่เลยขาดทุนอย่างไร ย, ยับเป็ น, นี่สงต่อไป นี่บุญคุณคมพัฒนมากหลายจะไปนี่บุญคุณเนี่ยชั้นคันมากขอขอเขาเจริญทองว่านี่เสีงเงินทองใช่ก็หมดแต่นี่บุญคุณคนเนี่ยไม่รู้จักหมดนะหมดไม่นี่บุญคุณนี่พ่อนี่แม่นี่ครูบาอาจารย์นี่ผู้มีอุปการละคุณไม่มีทั้งหมดถ้ายจ้องใช้อย่างนั้นเอาเงินทองมาใช้ก็มาเดี๋ยวมากเลยผล น้องพระเดชพระคุณมีทางเดียวคือกาัยุทท่งกัตเวชิตาทำเท่านั้นเองที่จะมีประโยชน์ส่วนติผลที่มากหลายมีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่กรริงกุศลภาวนาในวันพระจะไม่ถึ้งบังทุลุทธให้มากโดยที่เด็กคนนั้นัศนีไม่หายจากโรคมะเร็งทันชีดี อ, อกดีใจบัดนี้เขาอยู่ม .6 เลย เป็นรางสาวเย็นซื้อเงเองกันนาน้ำเหลืองไกเเื่อมมานาวโฟงเปรี้ยงไทยไปกินเกิดเองช่างเผือกเกิดเองช่างเผือกช่างงานเนียมช่างคู่บ้านคู่เมืองคู่จิตคู่ใจคือปัญญาเป็นช่างเผือกช่างเผือกเรียกว่าปัญญาอยู่ในป่าให้ความสงบช่างเผือกจะมี้ได้จองดูในป่า ป่าตัวนี้แปลว่าความสงบนักนตรีทั้งติีประลังถุกขังถูกอื่นยิ่งออกความสงบไม่มีอีกแล้วอย่างนี้ถ้าคนไหนอยู่ด้วยความสงบให้บุ่นวายตื่นาจคนนั้นมีช่างเผือกคู่เมืองคู่บ้านคุ้มเขาช่างคู่บ้านคู่เมืองนั้นก็คือตัวปัญญาญาณรับหลอกดูกองการฉังฐานหาเหตุการณ์ได้ในชีวิตจะทำอะไรก็สําเร็จเ้ามีช่างเผือก ที่เราเรียกมันอยู่ในป่าป่าตัวนี้น่าจะแปลว่าป่าแความสงบมันเหยียบป่าลบลุงรังสิงสาช า, า, าสาก็ข้ามมันต้นไม้ก็โค่นมันไม่เสีป่าแบบนั้นมันป่าแความสงบป่าด้วยปลาลบความเพียงป่าแห่งความสงบเรียนหนังสือเป็นด็อกเตอร์นั่นแหละช้างเผือกอันแน่นอน คู่บ้านคู่เมืองคู่จิตคู่ใจอยู่ในตัวเรานั่นคือกรรมฐานแต่ถ้าเริญกรรมฐานท้าจะรู้ว่าช่างเผือนคืออะไรคู่บ้านคู่เมืองเป็นมิ่งขวัญบางคนชายของบ้านเมืองในเมืองนั้นนะเขาจะมีการเอาช่างชนกันมีการยุทธหาสตถีชมเดีทะเลส่วนเมืวันที่ยี่สิบห้ามกราเป็นวันกองทัพไทยที่ผ่านมาแลนะ้วนั้นนี่ก็ฉันงใด ชีวิตขอนท่านทั้งหลายมาเจริญกรรมาฐานเข้าลมนึกเลยหมดจะมีการเคารพนอบนอบและบูชาเกิดเองจเจริญสติประญาสี่ยืนหนอห้าข้างได้ขอให้ท่านทำให้ได้ก่อนจะกลับอย่าพุปฝากความสงสัยกลับบ้านไปแต่จะเสียดายเวลาอันมีประโยชน์จะมีค่ะเดินจงกรมต้องดูเทา้าแตมาตังงแต่ ด, ดูไปดูกันที่ไหนหลับตาเดินทาไม ดูให้ปลายเท้าให้เห็นชัดกวาย่างหนอใช้ ย, ย่างหนอให้ชัดเจนยเดินั้นคนจะตายให้ได้จังหวะปัจจุบันยืนหนอห้าครั้ง้ไายปัจจัปปัจปัจจุบันถ้าตอออยู่ก็จิตที่ยืนลงไปปลายเท้าขึ้นมาถึงทช่ศา์มโนภะหลับตาป้าติดีแล้ว จะเกิดอัตโนมัติเห็นใครหนอเห็นหนอะทิศาลงกายเท้าปายเท้าคนทีิศามันจะอัตโนมัติวันนี้ใายไม่ดีคนนี้หัวขาต้องตายไม่เคยพลาดแต่สติถ้าสมบูรณ์คบวงจรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สติท่านไในครบวงจรนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยจะอ่านไม่ออกไม่บอกไม่ได้เพราะสติไม่พอครบวงจรไม่บริบูรณ์ถ้สติท่านในสมบูรณ์แบบ มันจึงไม่เด็ดทนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของง่าย น, นะที่ทําเนี่ยท่านก็ทําำบ่อยๆเสมอต้อนเสมอปลายจะไปบ้านก็ทําได้อยู่จิตอายณะท่านเห็นสีกําหนดตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงส ม, มูกได้เก่งินรถกําหนดให้ได้กายช้ำผัสร้อนหนาวก็ต้องกำหนดเคลียร์ใจดีใจที่ลิ้นปีเนะี่ยหายใจยา ย, ยาวกําหนดให้ลึกๆรักรองท่านจะหายโกรธนะ ปลูกความโกิดก็ไว้ในจิตกําหนดนล้วทจะหายไปเองคิดเลยรไม่ออกถ้ายใจยาวๆยังอยู่ในรถหรืออยู่ที่ไหนก็ตามหายใจยาวๆตั้งสติว่าทีลิ้นตีกําหนดคิดหนอตีคิดห้าคิดร้อยคิดทันคิดเดี๋ยวคิดออกคิดออกจอดไว้นี่แหละของจริงแต่ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามนะโยมจะไงจะไล่ความหมายจะไม่ได้อะไรเลยนะเขาปากว้า เสียงหน่อตั้งสติว่าชี่หูให้ได้จะได้รู้เลยเนี่ยว่าเขาพูดเนี่ยโกหกหรือเปล่าท่านมีประโยชน์จริงๆเราจะได้รู้คนนี้คบไม่ได้หน้าซื่อใจคดเรียวโลคนเชี่ยวคบไม่ได้ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยวเรียวโาคนเชี่ยวคบไม่ได้สติใช่ไห้เนี่ยเถื่อคบไปเราก็เสียหายไม่ประโยชน์ในการครบฆ่าสมาคมไม่ประโยชน์ในการธุรกิจ ไมีสติในการใช้งานมีชีวิตชีวาอยู่ด้วยความลากลึก อ, อยู่ด้วยความชื่นบานมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่หลงไม่เซ็งมีชีวิตอยู่ด้วยความสดชื่นดูในจิต ใ, ใ, ใจทั้งตนตลอดการประวัติศาร์มีประโยชน์อ ย, าย่างปัญหาทุกคนพุทธเบย์สัตทั้งหลายกรรมฐานจะยืดกว่านาที่ขั้นานกรรมฐานเป่าเหตุเป็ผล สมาทานตั้งต้นชีวิตให้ดีเหมือนออกแฉก บ, บอกเรื่องดีๆกานจ ะ, สะแสดงดีตลอดในกางกระทั่งชีวิตทำไมความมิชางานท่า น, นจะไม่อยาลายตัวท่านไปยจะหน้าเสียดายเวลาเลยเสียใจเป็นอย่างนี้หนุ่งสาวทั้งหลายโสดได้สา่นแต่ังนี้สตรีดีพบวงจรท่านจะอ่อนน้อมถ่อมต้นปากหวานตัวอ่อนมือเป่งงอนดูสนุมะเจอคนก็อยากจะอ่อนน้อม เจอพระก็อยากจะนมัสการยกมือไหว้สวดมนต์ไหว้พระโดยไม่ต้องสั่งการไม่ต้องอัตโนมัติเลยเจอผู้สูงอายุอยากจะเลี้ยงทางอยากจะว่าอยากจะกราบผู้มีอายุอนามผู้อาวุโสเลยอวุโสพันเตเป็นต้นแต่คนที่ปากร้าขาแข็งจิตใจไม่มีธรรมะไรธรรมะจะปากร้า้าแข็ง ไม่อ่อนหวานอ่อนโยนทุกภาพเรียบร้อยแน่นอนที่สุดออกมาเป็นลักษณะการอย่างนี้ชัดเจนมากแฟนสาวที่ชนทั้งหลายฉังคิดดูอย่างนี้ท่านจเห็นเองจะเห็นที่มีประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์่ตัวท่านเองโดยเฉพาะนี่จะเหมาะเจาะนี่จะไม่เหมาะเจาะก็เกิดขึ้นเองโดยเฉพาะมีความหมายมากเราจะเห็นเด็กถ้าปฏิบัติได้จะสวดมนต์ไหว้พะยกตัวอย่างวันนี้ก็เราฟั ง, งหลายราย พ่อเป็นฝรั่งแท้แท้แม่เป็นพุทธไทยเด็กสามขวบสวดพุทธคุณทำอาคุณกันาคุณเท้ามาตาเจอพระทูตจ่าเจอพระทูตจ่าเจอคนแก่คนเฒ่าเลี่ยงทางตัวนี้นเกลีดเหตุใดอ่านหนังส้อไม่ออกทำํำไมสวดเท้ามาตาได้แม่พ่อเขาสวดพ่อเป็นฝรั่งแท้แท้แม่สวดตลอดลูกก็ว่างสามจนได้เด็กกาลังจำกําลังจด กำลังจดกําลังจํารีบสอนความดีให้มากคือลูกหลานของของโยกตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญสักครั้งหนึ่งแต่ท่านไม่เอาไม่เป็นไรของดีไม่มีใครอยากได้ก็ไม่เป็นไรนจะเอาทั่วเต็มตัวเต็มเป๋าเต็มกระเป๋าก็ไม่เป็นไรจะสร้างความดีก็เอาไม่ไม่สร้างความดีก็ได้ไม่มีใครบังคับท่านหรอกจิตใจของท่านใครจะไปบังคับได้ แต่ท่านมีความดีอยู่ในจิตใจอยูก่กรรมฐาน ม, าามันจะรู้เองว่าปจัจจตตังเวทิตัาโพเป็นประการใดสร้างความดีไม่ต้องบัคับัญชามันจะเกิดขึ้นม า, าด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นของท่านเองแต่ท่านไม่มีศรัทธาไม่เชื่อมั่นไม่ตองทําบุญไม่ตองเจริญกรรมฐาน ม, มันไม่ได้ดผลแน่นอนไม่ได้อะไรจริงๆอย่าทําเสียเวลากลับบ้านเถอ กลับไปยังกระเที่ยวในสังคมช้อปปิ้งสนุนชอบจริงอย่างนิยตโยกว่าดีกว่ามันนั่งหายเสียเวลาให้เมื่อยประตาวางคนยังนั่งวันเดียวยังไม่หายเมื่อยกลับไปแล้วบางคนก็บน่นบอกลูกให้กูไม่มาซะดีกว่าอยู่บ้านยังได้ผลพูดอย่างนี้ก็มีนี่แหละก็ขอเจริญพรคนไม่เหมือนกันคนมันไม่เหมือนกัน บางคนดีเขาก็ต้องการเรื่องของดีคนไม่ดีดก็ไม่ต้องการของดีนะต้องการของชั่วติดหนึ่งโกงไอ้ข้ามยางที่เก่าเลยเไม่ใช่หมายความมาต้องการดีด้วยกันทุกคนหรอกแต่จุดมุ่งหมายต้องการอยู่ว้จ้องการสวยต้องการ ด, รารดีแต่วิธีปฏิบัติไม่ดำเนินงานตามนะจริงไม่ดีเท่าที่ควรไม่สมส่วนแล้วควรกันคนลรจึงมีฐานะไม่เหมือนกันมีสมองไม่เหมือนกัน มีพัญญาไม่เท่ากันมีความดีไม่เท่ากันเตนษฐะหรือค า, วารวะอุบาสกริการก็รไม่เท่ากัน <c oughs> มีดีนั่นหึงกันเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานนี่มันจะมีทั้งบุกาลดีเหมือนปุตชีนเช่นนี้วหวบันเทุดปูชาจะปูชนียานงเอตุกามังคลมุมตัมันบูชาผู้มีบุญคุณนั้นเป็นมหมามงคลชีวิตแน่นอน เกิดได้จากการเจริญกรรมฐานถ้าคนไหนเจริญกรรมฐานในทิน้งบุพตารีได้จะมีการศักระละสองเคารพสามบูชาสนับถือห้าเฉลิมแล้วก็ออกมาอย่างชัดสั ก, าการาละแปลว่าเอาใจใส่พ่อแม่เอาใจใส่สามีภรรยาเอาใจใส่ปู่ย่าตา ย, ยายถึงตาจากโลกไปแล้วก็เอาใจใ ส, ส, ส่ติดตามผลด้วยบูชาพราะคุณเป็นต้นเคารพแปลว่ามั่นใจ เรื่อความมั่นใจนน้านะกรรมฐานได้จากสีความหมายได้ชัดมั่นใจต่อบิดามารดาของเรามั่นใจต่อปู่กย่าตาพยายมั่นใจต่อสามีภรรยามั่นใจต่อลูกต่อหลานไม่แฉะไม่เสแสร้งแปลงกาวาจาบูชาแปลว่าบูชาพราะคุณด้วยอันนี้กบูชาพระสิทธิปฏิบัติบูชา ทำมห้การบูชาคือให้ภาพผลชั้นบายอาหารการบริโภคกิจยาราสาโลกให้แก่ท่านทูกจัดการปฏิบัติบูชาก็คือหมายความว่าท่านไม่มีทางให้บำเพ็ญทานไม่มีสศีลบำเพ็ญศีลไม่มีภาวนาให้การสวดมนต์ไหว้พระสาวโบสวดเป็นต้นแล้วก็ไม่ทําลายน้ำใจของทองให้ผู้ปู่ยาตายาที่มีบุญคุณทั้งหลายออกก็ยังชัดิดียวกับบูชา นับถือแปลว่าวยึดขึ้นมาคงมีเป็นพี่เป็นนอ้องยาได้ซองแพนหลาหลวมหลืออหลมีเป็นสามีมีเป็นภรยาต้องยึดถือขึ้นมาให้มั่นคงในจิตใจของเราเชื่อฟังข้อที่ห้ากล้าเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังซึ่งแตลการโดยเหตุผลข้อจิจะไม่มีผันแปรแปลก ป, ป, ป, ปลอมกับประจัรใดเรียกว่าปูชาในบุพการ การจตาและการครพการบูชาตามนับถือการเชื่อสารโดยปูชาจากปูจันญานะเอตัมมังคารมุตตัมมังบูชาในผู้มีพระคุณทั้งหลายจะได้รับการเฉิดเฉิดการิญทรอทั้งออนหน้ารับหลังเหมือนบูชาบรรพบุตรในวันกุศลเช่นในวันนี้แต่ทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดเผากระดาษเงินระดับทองและกระสุนประทัดเท่านั้นหรือ นาสติความหมายทิ้งธรรมะว่าบุพกาลีคืออะไรปรรัจจานูเทเวทีต่อบานประหลุ่งท่านเพื่อประโยชน์อันใดลำเนื้อศีลพระคุณอันอุ่มใจทาใจสบายท่าขายก็จะรวนวันทุ่งนี้ก็เป็นวันไว้พระวันนี้ไหว้ไหวถีบานประหลุ่งนี้ไหวัพระไปว่าระตามวัดวารามต่างๆเดี๋ยววันพระวันต้องมีมาเป็นเยอะแยะถ้าจะมีมานึก ผงไม่ถิงเดี๋ยวมาแต่เช้าเถอะเขาออกไหว้พระวหว้ผีปู่ย่าตายายวันที่สองก็ไหว้าระเรียกว่าชีวิตชีวเย่ืีวซากลับบ้านอย่าไปถึงชีวห้าชีหกชีวเจ็ดเลยมันจะเสียเวลาการค้าขายเสียเวลาทางานต่อไปนี่แหละวันนี้วันกรรมฐานวันกุขีขอให้ท่านพี่น้องใช้สัญชาติจิต และคนไทยเหมือนกันทำเหมือนกันได้หมดวันบุพการีเช่นวันนี้วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนก็ทำเมืองไทยก็มีจะจีนเต็มเมืองไปเหมือนกันหมดเลยไม่จำเป็นต้องหวาคุณนั่นแยกเป็นไทยนี้เป็นมอญเป็นลามันไม่ต้องแยกแยกแต่นมนุษย์าติชาศักยภาพของบุคคลผู้มีบุญคุณอ่อซึ่งการในการเรีย้ยวบุพการีโยงนั่นเจริญกรรมฐานจะเห็นได้ชัดแผ่เมตตา ูที่ส่งกุศลเป็นต้นโยมจะได้หลักฐานการปฏิบัติธรรมเอามาไว้ในจิตใจั้งโยมสามารถจะปกปก้องไอโชอบายยักภูมินร ก, กเปรตพฤตการสวเดรัจฉานจะไม่ไ ป, ไปในภูมินั่นต่อไปเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ที่จะชี้แจงแสดงถึงบรรพุษบูชาบรรพหลตันโยต่อเหตุผลของบรรพุลในวันนี้ วันกตัญญูตเวทีของท่านในบันทบุตรในวันทุขีวันขึ้นปีใหม่ของท่านเดี๋วเามาเจริญกรรมาฐานก็ต้องการตรงนี้ต้องการถึงบุปกาลีรู้คุณค่าของชีวิตรู้คุณค่ากตัญญูตเวทีต่อ บ, บิดามารดาชาติปูมิมติภูมบ้านเกิดมันนอนทั้งคนจะได้มีโอกาสบริจาคทานชินภาวนาถวายภัศทหารเจรินวันนี้มีท่านทั้งหลายมีศรธรรมมาถวายทัศทหาร เจำ น, นวนมากและบางท่านอาพ่ อ, อสุขพ่สารมาถวายเอาเครื่องสับปริวานรังมาถวายเครื่องฉนทานเป็นต้นจะได้ออถวายไว้ในท่านกลางสงให้ให้สงได้อนันมทนาสาธิการทักษณาทานการกุศลถึงบรรลุของท่า น, น, น, น, นต่อไปแล้ว น, นั้นขอผู้คบุญเวลาสีที่ทา่านเบกมาเพนมาในวันทนั้ทงญาติโยมทั้งหลายทั้งบันปชิตเกลียหัสอุบาสกบปิกาโดยทุ่มน า, าน อาตมาภาพประธานสงขออนุมโมทนาแต่ท่านทั้งหลายขออำนาจคินพัติเรตจนาจัยอำนาจบุรพุชนทั้งหลายต่ดประทานพรายโยมทั้งหลายที่มาเจริญสัตร์มฐานเจริญบูชนภาวนาโดยทื่อหน้ากันจงกระสบจะพรานสุขความเจริญทรงเจริญไปด้วยอายุวันณะถูขาพละปฏิพานจนาสามทุ่มบัตรนึกคิดจริงประการใดสมความมุ่งมาตัณหาด้วยกันทุกรูปทุกนาม นาโอกาสกนี้ เ, เชิญขอเจริญพรทุกท่าน ยานโปรตีนปูนคนบนอวิชชา การุณแกผู้ที่ไปทํานําำปวงชนพอคนหาทางกรรทตนจะร้อนกลายเป็นเย็นจุดเด่นคือหุยปัสนาอาวนาอยู่ที่เด ที่นั่นสายแต่ช่วเย็นสายตาระเทือนคำจนก็สะทาน